ก็ค อ, อคุณสมบัติในแง่ละได้และที่เป็นผลของพระโสดาบันพระพุทธพจน์ในพระสุตตันตปิฎกสั่งยุตติกายคันธวารวักทิฏฐิสังยุตย ท, ท, ท, ยที่สามโสดาปฏิวัค์ที่หนึ่งมีสิบแปดพระสูตรแปลโรปรัตเอาแต่ความที่ไม่ซ้ำได้ดังนี้เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิหรือทฤษฎีขึ้นดังนี้ว่าทิฏฐิแรกเห็นผิดว่ามิใช่ลมพัดมิใช่น้ำไหลมิใช่หญิงมีคันคลอดมิใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุไทยหรือลับไป สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตั้งคงตัวอยู่อย่างนั้นเองทิ่ติต่อไปเห็นผิดว่านี้ของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราที่ติดต่อไปเห็นผิดว่าอั ต, ตาก็อันนั้นโลกก็อันนั้นเท่ากับว่าอัต t ากับโลกหรืออาตมันกับสากลจักรวาลคือสิ่งเดียวกัน เราละชีวิตนี้ไปแล้วจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาความเห็นอย่างนี้เรียกว่าสัตสตวาาที่ติต่อไปเห็นผิดว่าถ้าเราไม่มีก็คงไม่มีแก่เราเราจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราความเห็นอย่างนี้เรียกว่าอุดเฉทวาา หมายเหตุเชิงอัดทิฏฐิหรือทฤษฎีนี้จัดเป็นอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาทิฏฐินอกพุทธศาสนาทั้งหลายทิฏฐินี้เป็นเลิศคือดีที่สุดเพราะผู้มีทิฏฐิเช่นนี้ย่อมหวังได้ว่าจะรังเกียจภพและไม่รังเกียจความดับแห่งภพแต่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ ทิ่ติต่อไปเห็นผิดว่าทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลสการะไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีไว้ชั่วไม่มีไม่มีโลกนี้ไม่มีป a โลกมารดาไม่มีปิดาไม่มีสัตอุ ป, ปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดาเนินไปชอบปฏิบัติชอบผู้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งโลกนี้และปราโลกและประกาศให้ทราบไม่มีในโลกคนเหล่านี้มีแต่ธาตุสี่เมื่อใดตายดินก็ไปตามพวกดินน้ําก็ไปตามพวกน้ําไฟก็ไปตามพวกไฟลมก็ไปตามพวกลมอินทรีย์ทั้งหลายก็ไปกับอากาศมีแต่คนสี่รวมเป็นห้าทั้งเตียงพาคนตายไป รอยเท้าปรากฏเพียงแค่ป่าชา้ามีเหลือแต่กระดูกสีเทาการเส้นสวงบูชาจบแค่กี่เท่าทา น, นี้คนโง่บัญญัติไว้คำพูดของพวกที่สอนอธิกาวาตเป็นแต่คำเปล่าคำเท็จคำพร่ำเพ้อเพราะกายสลายทั้งพานทั้งบัณฑิตย่อมขาดศูนย์พินาศหลังตายไปย่อมไม่มี ความเห็นอย่างนี้เรียกว่านัตถิกาวาสทิติต่อไปเห็นผิดว่าเมื่อบุคคลทําเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นทําก็ดีตัดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ดีเผาผลาญเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเผาผลาญก็ดีก่อความเศร้าโศกเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นก่อความเศร้าโศกก็ดีก่อความลําบากเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นก่อความลำบากก็ดีทำให้ดิ้นเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นก็ดีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดช่องปล้นทั้งหมู่ปล้นหลังเดียวปล้นตามหนทางทำชู้เมียเขาพูดเท็จก็ดีพูดทำก็ไม่ชื่อว่าทำบาปแม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่งมีคมโดยรอบสังหารเหล่าสัตว์บนพื้นปฐพีนี้ทาให้เป็นลานเนื้อเป็นกองมังสะอันเดียวกัน บาปที่เกิดจากการกระทํานั้นก็ไม่มีไม่มีบาปมาถึงได้แม้หากใครจะไปอย่างฝั่งขวาของแม่น้ํำคงคาเที่ยวฆ่าเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นฆ่าบ้างตัดเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นตัดบ้างทําความเดือดร้อนเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทําความเดือดร้อนบ้างบาปที่เกิดจากการกระทํานั้นย่อมไม่มีไม่มีบาปมาถึงได้แม้หากใครจะไปอย่างฝั่งซ้ายของแม่น้ํำคงคา ให้ทานเองบ้างใช้ผู้อื่นให้บ้างบูชาเองบ้างใช้ผู้อื่นให้บูชาบ้างบุญที่เกิดจากการกระทำนั้นก็ไม่มีไม่มีบุญมาถึงได้บุญด้วยทานด้วยการฝึกตนด้วยความสำรวมด้วยการกล่าวคำสัตย์ย่อมไม่มีไม่มีบุญมาถึงได้ความเห็นอย่างนี้เรียกว่าอัคริยาวาททิฏฐิต่อไปเห็นผิดว่า ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็เศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็บริสุทธิ์เองกำลังงานไม่มีผลความเพียรไม่มีผลเรียวแรงของคนไม่มีผลความบากบั่นของคนไม่มีผลสัตว์ทั้งปวง ปานะทั้งปวงพูดทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามความกำหนดตายตัวความประจวบและภาวะสวยสุขทุกข์ไปในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นเองความเห็นอย่างนี้เรียกว่าอาเหตุกะวาดทิตติต่อไปเห็นผิดว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครสร้างแบบแผนไม่มีใครเนรมิตไม่มีใครเนรมิตแบบแผนเป็นสภาพไม่มีผลคงอยู่เฉยเหมือนยอดเขาคงตัวมั่นอยู่เองดังเสารเนียดสภาวะเจ็ดกองเหล่านั้นไม่วันไหวไม่ผันแปร ى, ไม่บีบคั้นกันและกันไม่อาจก่อสุขหรือทุกข์ให้แก่กันสภาวะเจ็ดกองนั้นคือกองดินกองน้า ก่องไฟก่องลมสุขทุกข์ชีวะถึงแม้ผู้ใดจะเอาสัตราคมตัดศีรษะกันก็ไม่ชื่อว่าใคร่งชีวิตใครเป็นเพียงสัตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ่งกำเนิดประมาณหนึ่งล้านี่กรมำพันเป็นต้นจนถึงอันตรกับ62บสอง อภิชาตห6ปพิสพูมิปนรกสามพันมหากาลปะปดแส0สี่หมื่นเหล่านี้เป็นที่ทั้งพานและบันดิตท่องเที่ยวเร่ร่อนเวียน่หวตายเกิดไปก็จักทำความจบสิ้นทุกไปเองความสมหวังว่าเราจักบ่มกรรมที่ยังไม่ออกผลให้ออกผลหรือว่าเราสัมผัสกรรมที่ออกผลแล้วจักทำให้กรรมนั้นหมดสิ้นไปด้วยศีลด้วยพร ด้วยตบะหรือด้วยพรหมจันนี้ย่อมไม่มีในสังสารวัตรนั้นสุขทุกข์ที่ทำให้มีที่จบสิ้นเหมือนตวงของให้หมดไปด้วยทนานย่อมไม่มีในสังสารวัตรได้ด้วยวิธีอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทั้งพานและมันดิตเร่ร่อนไปก็จะหมดทุกไปเองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลคว้างไป ย่อมคลี่หมดไปเองความเห็นอย่างนี้เรียกว่าสัตตวาตอะกิริยาวาทและสังสารสุธิกะทิฏฐิทิฏฐิ ต, ต่อไปเห็นผิดว่าโลกเทียงโลกไม่เทียงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะอันนั้นสรีระก็อันนั้นชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างต ถ, ถาคตมีอยู่หลังจากตาย ตถาคตหลังจากตายทั้งมีอยู่ทั้งไม่มีอยู่ตถาคตหลังจากตายมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ความเห็นอย่างนี้เรียกว่าอันตะคาหิกะทิฐิสิบภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้กระทั่งสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้แจ้งใจ ได้ถึงได้แสวงหาได้ใคร่กรวนแล้วด้วยใจเป็นของเที่ยงหรือว่าไม่เที่ยงพิสุจ์ทั้งหลายทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าตรัสถามอีกว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่ยึดติดสิ่งนั้นแล้วจะพึงเกิดทิฏฐิอย่างนี้ดังแสดงข้างต้นทั้งหมดขึ้นได้หรือทูลตอบว่าไม่เกิดพระเจ้าข่าเมื่อใดอริยสาวกละความสงสัยในฐานะทั้งหกเหล่านี้คือในขันห้าและในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นก็จะเป็นอันละได้ซึ่งความสงสัยแม้ในทุกข์ในสมุทัยแห่งทุกในนิโรธแห่งทุก และในปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกด้วยอริยะสาวกนี้เรียกว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินหน้าสู่ความตัสรูในอังคุตรนิกายชักกนิบาททุติยปัญ น, นาตสีติวัคที่สี่พระสูตรที่หถึงส1บอดมีพระพุทธพจน์ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายทำหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทิฏฐิสัมบัญบุคคลหรือผู้มีสัมมาทิฏฐิเพียบพร้อมคือพระโสดาบันละได้แล้วกล่าวคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตะปารามาตราคะที่ให้ถึงอบายโทสะที่ให้ถึงอบายโมหะที่ให้ถึงอบายทิฏฐิสัมบัญบุคคล เป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดธรรมหกประการเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายมีอภั พ, พฐานหรือกรณีที่ไม่มีทางเป็นไปได้หกประการดังนี้กล่าวคือทิฏฐิสัมบันบุคคลเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในธรรมในสงในศรริกขา ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะยึดถือสิ่งที่ไม่ควรถือไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะยังพบที่แปดให้เกิดภิกษุทั้งหลายมีอภ พ, พฐานหกประการดังนี้กล่าวคือทิฏฐิสัมบัณบุคคลเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตา ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะกระทำอนันตริยกรรมไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเชื่อถือความบริสุทธิ์ด้วยมงคลตื่นข่าวไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะสแสวงหาทักกินายะนอกหลักคำสอนนี้อภ พ, พฐานอีกหประการดังนี้กล่าวคือทิฏฐิสัมบันบุคคลเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะปรงชีวิตมารดา ที่จะโปร่งชีวิตบิดาที่จะโปร่งชีวิตพระอาหารหันต์ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีจิตประทุษร้ายต่อพระตถาคตถึงกับทำพระโลหิตให้ห่อไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะทำลายสงฆ์คือทำสังฆเพทไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะถือศาสดาอื่นอภพฐานอีกหประการดังนี้กล่าวคือทิฏฐิสัมบัณบุคคล เป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเชื่อถือว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ตนสร้างเองว่าสุขทุกข์ตัวการอื่นสร้างให้ว่าสุขทุกข์ทั้งตนสร้างเองและตัวการอื่นสร้างให้ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆอตนไม่ได้สร้างว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆอตัวการอื่นไม่ได้สร้างว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆทั้งตนก็ไม่ได้สร้างตัวการอื่นก็ไม่ได้สร้าง ข้อที่มิได้เชื่อถือดังนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าทิฏฐิสัมบันบุคคลมองเห็นชัดเจนดีแล้วทั้งเหตุและธรรมที่เกิดแต่เหตุในอังคุตระนิกายปัญจากรนิบาตข้อ257มีพระพุทธพจน์อีกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมห้าอย่างได้จึงเป็นผู้มีทางเป็นไปได้ที่จะประจักษ์แจ้งโสดาปติผล คืออาวาสมััชริยะกุลมัฉริยะลาภมัชริยะวัณนมัชริยะธรรมมัชริย ะ, ม ะ, มยะในคราวคัดเลือกพระเถระเพื่อทำสังขยาาครั้งที่หนึ่งประธานได้คัดเอาแต่พระอรหันต์499รูปและได้เลือกเอาพระอ น, นุ์เข้าร่วมเป็นรูปที่500ทั้งที่ท่านยังเป็นเสคะนอกจากเพราะเหตุที่ท่านได้เรียนธรรมวินัยไวมาก ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็เพราะท่านเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะถึงอกติพระชอบชังหลงหรือกลัวในมหานามสูตรสั่งยุตตนิกายมหาวารวัตรแสดงไว้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครทารามใกล้พระนครก บ, บิลพั์ แคว้นสักกะครั้งนั้นพระเจ้ามหานามาสากยะประทับนั่งนาที่ควร่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลความนี้กับพระผู้มีพระภาคจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนคกรกบิลพัทนี้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากผู้คนจ่อแจถนนก็แออัดยัดเยียดหม่อมฉันมานั่งใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคหรือพระภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นที่เจริญใจแล้วถึงเวลาเย็นเมื่อกลับเข้าสู่พระนครกั บ, บิละพัทย่อมผ่านพบช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเกวียนบ้างคนบ้างซึ่งไปมากันขวักไขวเวลานั้นสติของหม่อมฉันที่ปรารบพระผู้มีพระภาคก็เผลอไปสติปรารบพระธรรมก็เผลอไปสติปราลบพระสงฆ์ก็เผลอไป หมอมันจึงมีความดำริดดังนี้ว่าถ้าเราสิ้นชีวิตลงในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรที่ไปข้างหน้าหรืออภิสัมปรายะของเราจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่ากลัวเลยท่านมหานามะอย่ากลัวเลยท่านมหานามะพระองค์จักมีมรณกรรมไม่เลวร้าย จกมีการกิริยาไม่เหลวร้ายท่านมหานามะบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมีจิตที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตะด้วยจาคะด้วยปัญญาตลอดการยาวนานร่างกายอันนี้ของเราซึ่งเป็นสิ่งมีรูปประกอบด้วยธาตุสี่เกิดจากมารดาบิดาเติบโตขึ้นมาด้วยข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยง ต้องขัดสีต้องนวดฟันและจะต้องแตกทำลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดากาบ้างแรงบ้างเหี่ยวบ้างสุนักบ้างสุนักจิ้งจอกบ้างสัตว์ต่างชนิดบ้างก็ย่อมกัดกินกายนั้นไปส่วนจิตของเขาซึ่งอบรมบ่มแล้วด้วยศรัทธาอบรมบ่มด้วยศีลสุตะจาคะและปัญญามาแล้ว ตลอดเวลายาวนานจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งไปสูงไปวิเศษอย่า ก, กลัวเลยท่านมหานามะอย่ากลัวเลยท่านมหานามะท่านจากมีมรณกรรมที่ไม่เลวร้ายจะมีการกิริยาที่ไม่เลวร้ายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสประการคือโสตปัฏตติยังคะสย่อมเป็นผู้เอนไปหานิพ v a โน้มน้อมไปหานิพพา n ในอานิสัง ส, สูตรอังคุตรนิกายฉักกนิบาตมีพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายอานิสงในการประจักษ์แจ้งโสดาปฏิผลหประการดังนี้กล่าวคือบุคคลนั้นเป็นผู้แน่นอนในสัตยธรรมเป็นผู้มีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดาทุกข์ของเขาถูกจำกัดขอบเขตแล้ว เป็นผู้ประกอบด้วยยานที่ไม่สาธารณะเป็นผู้มองเห็นเหตุชัดเจนดีแล้วและมองเห็นธรรมที่เกิดจากเหตุชัดเจนดีแล้วบุคคลผู้เป็นทิฏฐิสัมบัน์พ้นแล้วจากอบายอันใหญ่โตย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยแห่งทุกนี้นิโรธแห่งทุกนี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกเพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึ่งทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามเป็นจริงว่าหนีทุกหนีสมุทัยแห่งทุกหนีนิโรธแห่งทุกหนีปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกในราชาสูตรคำพีเดียวกันนี้ได้ตรัสเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าจักรพรรดิกับอริยสาวกโสดาบันว่าพระเจ้าจักรพรรดิแม้จะกรองราชเป็นอิสราธิบดีทั้งสี่ทวีปและสวรรคตแล้ว ไปเสวยทิพยะสมบัติในสวรรค์แต่ไม่เป็นโสดาบันก็ไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากอบายส่วนอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันแม้จะเลี้ยงชีพด้วยก้อนข้าวที่เดินบินบาดได้มานุ่งห่มผ้า ป, นปอนๆแต่ก็พ้นจากนรกพ้นจากอบายในสมุททสูตรที่สองสั่งยุตินิกายนิทานวัค มีพระพธิปุษต์ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าถ้ามหาสมุทรพึงถึงความเหือดแห้งหมดสิ้นไปเหลือน้ําอยู่เพียงสองสำยดเธอทั้งหลายจะเห็นอย่างไรอย่างไหนจะมากกว่ากันน้ําในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้วหรือว่าน้ำสองสำยดที่ยังเหลืออยู่ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ำสองสัมยดที่ยังเหลืออยู่มีน้อยนิดไม่ถึงเศษ ร, ร้อยไม่ถึงเศษพันไม่ถึงเศษแสนพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสำหรับบุคคลผู้เป็นอริยสาวกเป็นทิฏฐิสัมบัน์บรรลุธรรมแล้ว ความทุกข์ส่วนที่หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนที่เหลืออยู่มีนิดหน่อยไม่ถึงเศษร้อยไม่ถึงเศษพันไม่ถึงเศษแสนคือมีพบเพียงเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งธรรมาพิสมัยหรือการบรรลุธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมาจาักรสุขมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้หมายเหตุเชิงอัต นี้เป็นข้อความตอนหนึ่งของสูตรต่างๆในอภิสมัยวัคที่เจสั่งยุตธนิกายนิทานวักซึ่งเปรียบเทียบระหว่างความทุกส่วนที่เหลืออยู่ของพระโสะดาบันกับส่วนที่หมดไปแล้วอีกหลายนัยยะคือว่าเหมือนฝุ่นที่ปลายเล็บกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดเหมือนน้ำที่ติดปลายยาคากับน้ำเต็มสระโบกครณีที่กว้างยาวลึกด้านละ50โยชน์ เหมือนก้อนดินเท่ า, มาเมล็ดกระเบาเจ็ดก้อนกับมหาปตพีเหมือนก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดพันปา ก, ากาศเจ็ดก้อนกับขุนเขาหิมะวันรวมทั้งหมดสิบสูตรสั้นๆพระสูตรชุดเดียวกันนี้มาในสังยุตตนิกายมหาวาระวัคข้อ1745เจ้สห้าถึงหนึ่งเจ็ด้หด้วยต่างกันเพียงคำสรุปท้ายเปลี่ยนเป็นว่า สำหรับบุคคลผู้เป็นอริยสาวกเป็นทิฏฐิสัมบันฑ์บรรลุธรรมแล้วผู้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้สมุทัยแห่งทุกนี้นิโรธแห่งทุกนี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกทุกที่สิ้นไปหมดไปแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนที่เหลืออยู่มีนิดหน่อยไม่ถึงการนับการเปรียบเทียบหรือแม้เศษเสี้ยว คือภาวะที่มีพบเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านิทุกนิสมุทัยแห่งทุกนินินโรธแห่งทุกน้ปฏิปทาใหถึงนิโรธแห่งทุกและมีสูตรเพิ่มมากขึ้นไปอีกสองสูตรใช่ก้อนหินขนาดเท่าเมาล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนกับขุนเขาสุนเนรุเป็นเครื่องเปรียบเทียบความทั่วไป ไม่มีอะไรแปลกในราชาสูตรขุตกานิกายอุทานพระองค์ได้ทรงแปล่งอุทานว่ากา ม, มาสุขในแดนโลกก็ดีสุขที่เป็นทิพย์ก็ดีทั้งหมดนั้นมีค่าไม่ถึงเศษเสี่ยวที่สิบหกแห่งความสุขที่ได้เมื่อกระสายตันหาหมายเหตุเชิงอัดความสุขที่ได้เมื่อกระสยตันหาแปลจากตันหัขยัสุข หมายถึงความสิ้นตันหาในปปัพตูปมาสูตรสังยุตตนิกายนิทานวัคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุรุษวางก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนไว้ที่ขุนเขาสิเนรุเธอทั้งหลายจะเห็นอย่างไรก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้กับขุนเขาสิเนรุอย่างไหนจะมากกว่ากัน พิสุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญคุนเขาสินเนรุนั่นแหละมากกว่าพระพุมีพระภาคตรัสว่าพิกสุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันคุณวิเศษที่ได้บรรลุของสมณะพราหมณ์ปริพาชกชาวลทัทธิอื่นๆทั้งหลายเมื่อเทียบกับผลที่ได้บรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกซึ่งเป็นทิฏฐิสัมบัณ์ย่อมไม่ถึงเศษเสี้ยวที่ร้อย เศษเสีเส้ยวที่พันเศษเสีเส้ยวที่แสนทิฏฐิสัมบัณฑบุคคลมีผลที่บรรลุยิ่งใหญ่อย่างนี้มีอภินยายิ่งใหญ่อย่างนี้